รวมคำสอนของหลวงพ่อปราโมทปาโมชโชสวนสันติธรรมศรีราชาจะทำซีดีเพื่อเผยแพร่โดย net, j o s h o n e t ติดตามดาวนโหลดธรรมะอื่นอื่นอีกมากมายได้ฟรีรวมถึงสามารถขอรับซีดีได้ฟรีที่เว็บไซต์ jocho.net สามารถเผยแพร่แจกจ่ายต่อได้โดยไม่ต้องขออนุ ญ, ญาต แต่ต้องเป็นไปเพื่อธรรมทานหรือแจกฟรีเท่านั้นสำหรับซีดีที่จัดทำโดยเว็บไซต์ j o c h o net และสิ่งอ่านหนังสือโดยโจโฉนั้นปัจจุบันได้มีบางท่านนำมาวางขายทั้งนี้ผมต้องขอที่แจงไว้ณที่นี้นะครับว่านโยบายของเราไม่เคยขายไม่เคยจำหน่ายเผยแพร่แจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้นนะครับสำหรับท่านที่ไปพบเจอใครจาหน่ายอยู่ขอให้รับรู้ไว้ว่านั่นไม่ใช่การดาเนินงานของเว็บไซต์ j o net นะครับ ขออนุโมทนาสำหรับท่านที่ร่วมกันเผยแพร่จากฟรีเป็นธรรมทานด้วยนะครับเจริญในธรรมครับ